ถ้มาบทแปลเรื่องที่188เรื่องอุบาสกห้าคนข้อควาเมเบื้องต้นพระสัทสดาเมื่อพระทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบอุบาสกห้าคนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยปานามติมาเปติเป็นต้น ตอนอุบาสกเถียงกันในเรื่องศีลความพิสดารว่าบรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกคนหนึ่งย่อมรักษาสิขาบทคือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการยังชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอย่างเดียวส่วนอุบาสกทั้งหลายนอกนี้ย่อมรักษาสิขาบททั้งหลายนอกนี้วันหนึ่งอุบาสกเหล่านั้น เกิดทุ่มเถียงกันว่าเราย่อมทำกรรมที่ทำได้โดยยากเราย่อมรักษาสิ่งที่รักษาได้โดยยากต่างไปสู่สำนักของพระศัสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลความนั้นตอนพระสัสดาทรงตัดสินพระสัสดาทรงสดับถ้อยคำของอุบาสกเหล่านั้นแล้ว ไม่ได้ทรงกระทาศีลแม้ข้อหนึ่งให้ตับต้อยตรัสว่าศีลทั้งหมดเป็นของรักษาได้โดยยากทั้งนั้นดังนี้แล้วได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่าโยปานามติมาเปติมุซาวาดังจะพาสติโลเกอดินังอานิยติประดารันจะคัจฉิ สุราเมระยะปานัญจ์โยนโรอนุยุนจะติอิเทวเมโซโลกสมิงมูลังคณติอัตโนเอวังโพปุริษะยานาฮิปาปะธรรมมาอสัญญาตามาตังโลโพอธรรมโมจจจิรังดุขายะรันทยุงนราใด ย่อมยังสัตมีชีวิตให้ตกล่วงไปหนึ่งกล่าวมุสาวาทหนึ่งถือเอาทรัพย์ที่บุคคลอื่นไม่ให้ในโลกหนึ่งถึงภริยาของผู้อื่นหนึ่งอันหนึ่งนระใดย่อมประกอบเนืองๆซึ่งการดื่มสุราและมีะไรนระนี้ชื่อว่าย่อมขุดซึ่งรากเงาของตนในโลกนี้ทีเดียวบุรุษผู้เจริญ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 บรรดาประโยคทั้งหมีสาขัติกะประโยคเป็นต้นดราดยย่อมเข้าไปตัดอินซีคือชีวิตของผู้อื่นแม้ด้วยประโยคอันหนึ่งบทว่ามูซาวาดังความว่าและย่อมกล่าวมูสาวาดอันหักเสียซึ่งประโยชน์ของชนเหล่าอื่นบาประกาศาว่าโลเก อ, อดินังอานิยติ ความว่ายอมถือเอาทรัพย์อันบุคคลอื่นหวงแหงแล้วด้วยบรรดาอวหารทั้งหลายมีไถยาวหารเป็นต้นอวหารแม้อันหนึ่งในสัตว์โลกนี้บาปประคาถาว่าประดารังจะเข้าจิความว่านรกเมื่อผิดในพันธะทั้งหลายที่บุคคลอื่นรักษาและคุ้มครองแล้ว ชื่อว่าย่อมประพฤตินอกทางบทว่าสุราเมระยะปานังได้แก่การดื่มซึ่งสุราและเมรัยยังได้อย่างหนึ่งนั้นเทียวบทว่าอนุยุนจิตคือย่อมเสภได้แก่ย่อมกระทำให้มากสองบทว่ามูลังคณติความว่าปรโลก จงยกไว้ก็ในโลกนี้นั่นแลนระนี้จำนองหรือขายขาดแม้ซึ่งทรัพย์อันเป็นต้นทุนมีนาและสวนเป็นต้นอันเป็นเครื่องที่จะพึงดำรงตนอยู่ได้ดื่มสุราอยู่ชื่อว่ายอมขุดซึ่งรากเหง้าของตนคือเป็นคนหาที่พึ่งมิได้เป็นคนกําพร้าเที่ยวไปพระสัสดา ย่ตรัสเรียกบุคคลผู้ทากรรมคือทุศีลห้าด้วยคำว่าเอวังโพบทว่าป้าปธรมมาได้แก่ผู้มีธรรหลามกบทว่าอาสัญยตาได้แก่ผู้เว้นแล้วจากการสำรวมมีการสำรวมทางกายเป็นต้นพระบาลีว่าอาเจตสซา ดังนี้บ้างความว่าผู้ไม่มีจิตสองบทว่าโลโพอธรรมโมจะได้แก่โลภะและโทสะแท้จริงกิเลชาติแม้ทั้งสองนี้เป็นอกุศลโดยแท้บาทประกาศาว่าจิรังดุคายะรันทยุงความว่าทาเหล่านี้ จงอย่าฆ่าอย่าย่ำยีซึ่งท่านเพื่อประโยชน์แก่ทุกทั้งหลายมีทุกในนรกเป็นต้นตลอดกาลนานในการจบเทสนาอุบาสกห้าคนนั้นตั้งอยู่ในโสดาปติผลแล้วพระธรรมอเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลเรื่องอุบาสกห้าคน